ใ่าภาพผลงานพร้อมส่งใบสมัครได้ที่ f a c e b o o k c o m d i g i t a l p r i n t i n g r m u t t ตั้งแต่บัดนี้ถึง2กรกฎาคม2562สอบถามเพิ่มเติม02 549 4531และที่087 518 1624สถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลทัญ บ, บุรี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 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจริตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจริตวิทยาดีๆที่ช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกับคุณผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์ค่ะตีสีครึ่งถึงตี5้านะคะ ครึ่งชั่วโมงเต็มๆค่ะกับจิตตะวิทยาแบบเบาๆนะคะซึ่งคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะดําเนินรายการโดยเราทั้งสองคนค่ะดิฉันธีรวดียิ่งมีนะคะแล้วก็ลุงยุ้ยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพงษ์ชูไทยอาจารย์ประจําภาคจิ ต, ตวิทยาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะลุงยุ้ยสวัสดีครับน้องจีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทั้งสองสถานีด้วยครับผม ค่ะก็คุณผู้ฟังค่ะเราเจอกันทุกๆวันศุกร์เป็นเวลาดีๆนะคะลุงใช่ครับปีสี่ครึ่งใช่ไหมสี่ห้ปกติลุงตื่นขึ้นมาหรือยังคะตอนนั้นตื่นแล้วล่ะเขาบอกว่ายู่นี้ลุงแก่แล้วไงตื่นเลยเขาบอกว่ารายการของเราเนี่ยแฟนรายการก็จะเป็นผู้สูงอายุที่จะตื่นแต่เช้านี้นึงถ้าถ้าลุงตื่นเวลานี้แสดงว่าลุงก็เป็นผู้สูงอายุล้มากครับ ใกล้ๆใช่ไหมคะใกล้ๆ ใ, ใกล้ๆเธอจะเป็นผู้สูงอายุแต่ไม่ใช่ผู้สูงอายุก็ฟังรายการของเราได้นะคะคร<ำ>ับวันนี้ค <What S 1> <ะ>่ะก็ฟังได้ใช่ไหมใช่วันนี้ค่ะลุงเรื่องที่เราจะมาพูดคุยคุณผู้ฟังฟังนะคะ<ำ>เป็นเรื่องของการ Jean รีเฟซตัวเองอาจจะอาจจะหากําลังใจแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้กับตัวเองในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเรียนนน่าสนใจครับวันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าบางทีมันก็ครึ่งปีละ มิถุนายนเออครื่องปีมารู้สึกเหนื่อยแล้วาเหมั น, นเริ่มเริ่มเหนื่อย เ, เริ่มดาวลงไปบ้างแล้วเนาะเราอาจจะต้องรีเฟซกลับมาให้ร่างกายดูสดชื่นขึ้นมาอีก อ, อ, อีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะก็ไม่ต้องเริ่มจากใครหรอกค่คะคุณผู้ฟังเริ่มจากตัวของเราเองนี่แหละนะคะออคําถามแรกเลยแล้วกันนะคะลุงออคื อ, อ, อถ้าทํางานเนี่ยคนเราเวลาตอนเด็กๆ ก, ก็มักจะถามคุณพ่อคุณแม่ว่าทําไมเราต้องไปเรียนหนังสือ อ, อืลุงว่ายังไงคะ ตอนนั้นก็คือเด็กที่เกลียดไงแล้วทําไมเราถึงต้องเรียนหนังสือคือตอนนั้นเองตัวเองก็ตอบไม่ได้นะแต่ตอนนี้ตอบได้ดูไหมครับตอนนั้นก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมพ่อแม่ต้องผลักให้เราออกมาจากบ้านเราก็เล่นอยู่ดีๆแล้วก็อยู่กับพ่อแม่ได้นี่ดูไหมครับพ่อแม่ก็พยายามจะบอกว่าเรียนหนังสือเนี่ยจะได้ไม่ง้ออาใช้คํานี้เลยออืแล้วก็โตขึ้นจะได้มีงานทํำนี่คือสิ่งที่พ่อแม่บอก เป็นหน้าที่ที่เด็กๆจะต้องเรียนหนังสือน ะ, ะคะลุงบอกว่าพอโตมาก็จะมีงานทําเพราะฉะนั้นทีก็จะถามลุงว่าเพราะอะไรคนเราถึงต้องทํางานล่ะคะลุงเออใช่ที่เราจะต้องทํางานเพราะว่าเออเวลาที่เราทํางานแล้วเราก็จะได้เงินอันนี้ ค, คือส่วนหนึ่งใช่ไหยครับเพื่อเอาเงินนั้นนะมาเลี้ยงชีพหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจําวันของเราแต่อีกเรื่องหนึ่งคือในส่วนของงานเนี่ยมันทําให้เรามี มีหน้าตานะมีชื่อเสียงมีมีการดำเนินชีวิตอีกรูปแบบหนึง่งที่นอกเหนือจากที่อยู่ครอบครัวรมันมันได้คุณค่าในตัวเองนะฮะใช่ครั บ, รบมันมีความภาคภูมิใจนอจกจากการหาเงินได้อาจจะน้องๆเนี่ยเวลาเรียนหนังสือจบปริญญาตรีมีงานทำปกติจะ<อ>แบกมือของเงินคุณพ่อคุณแม่อพอทางานได้เงินเดือนเดือนแรกบางคนเาก็ให้ครอบครัวนะคะลุง เออใช่ครับลุงก็ให้ลุงก็ให้นะครเอาเงินใส่ซองให้เลยตอนนั้นเงินเดือนสามพันหกรอยเจ็ดิบ้าบาทจำแม่นเลยค่ะใช่รับเตือโทรนั่นนั่นอ่ะใ้เงิไปสามพันเลยออืมแล้วก็ขอแต่ละวันลุงก็ขอแม่ค่ะก็แล้วแต่สไตล์ครอบครัวบางคนก็ให้ก่อนแล้วเขาก็ขอคืนกลับมาทีหลังนะคะแล้ว คราวนี้พอเราทํางานไปเนี่ยทําไปทําไปทําไปลุงมันรู้สึกเบื่ อ, อเบื่อก็มาเฉยๆมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะบางทีเราอาจจะทํางานที่เราไม่ได้รักหรือเปล่าอ่านะครับในส่วนของความเบื่อนี่นะครับอาจจะมาจากถ้ า, าเป็นเรื่องงานก่อนเนาะถ้าเป็นในเรื่องงานก็คืองานที่เราทําไปอยู่เนี่ยมันอาจจะยากขึ้นค่ะและ้วทําให้เราไม่สามารถที่จะทํางานอันนั้นได้ได้ลุล่วงไปเราก็เริ่มเบื่อละอ หรือกรณีที่สองคือเพื่อนฝูงที่ร่วมงานกับเราค่ะนะครับเขาอาจจะเราอาจจะไม่ถูกตาต้องใจด้วยรูปร่างหน้าตาอันนั้นส่วนเล็กแต่ว่าส่วนสำคัญคือแนวความคิดอาจจะไม่ตรงกันคือมีปั ญ, ปญหากับเพื่อนร่วมงานอ ย, าอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ถูกต้องครับมันก็อาจจะทำให้เราเบื่อเบื่อแล้วก็พร้อมที่จะหางานใหม่นะครับค่ะ แล้วบางทีก็ขี้เกียจนะคะลุงขี้เกียจเหมือนกระเบื่อไหมขี้เกียจกระเบื่อไม่แตไม่เหมือนครับขี้เกียจไปทมันเป็นเรื่องของตัวเราเองนะนะครับคือคือถ้าบอกว่าเบื่อเนี่ยมันก็ทําทําแบบเบื่อเบื่อแต่ถ้าขี้เกียจบางทีมันไม่ไปเลยอ่ะออืไม่อยากทําอะไรเลยไม่อยากทําอะไรเลยอ่ะนั่เแหละอันนี้ก็เป็น สาเหตุหนึ่งในเรื่องของงานนะครับคือถึงแม้ว่าตอนแรกที่เราไปทํางานเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เรารักเราสนุกกับมันมากเลยแต่อยู่ๆมามันก็เบื่อมันก็ไม่อยากทําอย่างเงี้ยค่ะลงุงมันมันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นได้ครับแล้วคิดว่าคืออย่างนี้ครับบางทีเนี่ยเราทําอะไรที่มันเป็นรูทีนจำเจจำเจสามปีห้าปีเจ็ดปีก็ยังไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่เนี่ยทําอยู่เหมือนเดิมใช่ครับหรือว่าเราเกิดไปมองเพื่อน ที่เข้ามาพร้อมเราแต่โอ้โหตำแหน่งเพื่อพลาดไปถึงไหนเราจะรู้สึกเลยอ่ะถืวอว่าที่รู้สึกไหมกรณีี้เคยเป็นนะเอออาจจะที่ทํางานหลายอย่างนะคะลุงที่ัครบที่ทอาจจะเป็นคน<อ>ใช่ที่อาจจะมีแผนในชีวิตจริงงานประจํามันอาจจะมีบางมุมที่มีความรู้สึกบ้างแต่ด้วยอาจจะทํางานหลายๆแบบทํางานอดีตหลายอย่างมันเลยทําให้งานประจําดูไป ไม่น่าเบื่อแต่ถ้าต้องทําแบบนั้นสามปีห้าปีอย่างที่ลุงบอกทอํายงานเดิมๆหนึ่งงานก็ก็น่าจะเบื่อเหมือนกันใช่เอาดู ล, ด ล, <c oughs> ลุงดูลุงลุงสอนหนังสือได้สาสิบหปีอ่ะอืมลุงเบื่อไหมล่ะคะไม่เบื่อเลยลุงไม่เบื่อเล ย, ล เ, เ, ลยเพราะว่าทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยก็จะมีนักศึกษาแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันบุคลิกภาพหรือว่าความสนุกสนานของแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันมันก็ท้าทายดีแสดงว่าลุงรักไงคะ รักในงานที่ทำครับรักในงานรักที่จะสอนหนังสือรักที่จะให้คําปรึกษานะคะก็เห็นไหมคะบางทีความรู้สึกแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นแต่ว่าเราสามารถจัดการกับมันได้จริงไหมคะลุงจะจัดการกับมันได้ครับผมเดี๋ยววันนี้ต้องฟังรายการของเรานี่แหละค่ะคือถ้าเป็นเรื่องของการทํางานเนี่ยถ้ารู้สึกค่ะลุงว่าเราไม่ได้มีความสุขกับการทํางานเลยเราควรจะลาออกไปหางานใหม่ดีไหมคะคือมาถึงปุ๊บก็ เครียดปวดหวดัวเนื่ อ, อ, อนงนั่งนังเก้าอี้ที่ทํางานหรือว่าถ้าลุงสอนหนังสือปุ๊บลุงก็รู้สึกเบือ่อเหนื่อยเป็นอย่างเงี้ยค่ะลุงคือในกรณีที่น้องทีสามเนี่ยลุงอยากจะให้การลาออกเป็นเป็นช้อยท้ายๆนะครับคือช้อยแรกๆอาจจะเริ่มจากสำรวจตัวเราเองก่อนว่าทําไมหรืออะไรที่ทําให้เราเบื่อค่ะหาสาเหตใหุให้ได้ก่อนอหาสาเหตใหุหตให้ได้ก่อนว่าอะไรมันคือสาเหตุนั้นเนาะ ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเราเองก่อนว่าไอ้สิ่งรอบข้างเนี่ยมันมีผลต่อเราแค่ไหนสิ่งแวดล้อมเหรอคะหัวหน้างานลุงหัวหน้างานหัวหน้างานเพื่อร่วมงานคอยคอยจับผิดตลอดเวลาบางทีมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเอปฏิวัติตัวเองแล้วก็ลาออกเหมือนกันถ้ามันจําเป็นแต่ว่าถ้าจะถ้าจะลาออกบางทีอาจจะต้องหางานใหม่ให้ได้ก่อนไหมคะลุง ถูกต้องเลยถ้าคุณจะตัดสินใจลาออกจริงๆเนี่ยคุณต้องมีแนวทางที่จะไปนะค่ะดูไหมครับอาจจะมีงานใหม่รอเอาไว้หรือว่าเห็นแล้วลว่าเดี๋ยวเราจะไปสมัครที่นี่นั้นอันนั้นคือสิ่งที่เขาต้องมีอาชีพอืน่นก็ที่จะรองรับไอ้ตรงที่ส่วนที่เราจะลาออกนะคะก็ถ้าใครเบรื่บอไม่อยากทำงานไม่อยากเรียนหนังสือบางคนเขาก็พูดว่าถ้าการ เป็นหนี้เนี่ยก็เลยทำให้ต้องลุกขึ้นมาทำงานท <l> ุกคนกป็นแรงบาดานใจหยุดไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินก็ใช่ก็ใช่จะได้ก็แตกต่างกันนะคะแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะคะคุณผู้ฟงังแล้วกลับมาต่อกับช่วงที่สองของรายการเรากันคะ่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลายยัาา ย, าลายแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงวิธีการรีเฟซตัวเองนะคะให้กลับมาทํางานยังไงให้เวิร์กหรือว่ากลับมาเรียนหนังสือยังไงให้มันสดชื่นมากขึ้นนะคะลุงเบรกแ<ล>รกเราพูดถึงอาการเบื่อลงเนาะไม่มีความสุขกับการทํางานเราให้รู้สาเหตุนะให้อะไรต่ออะไรใช่<ๆ>บางคนอาจจะเป็นสามสี่สาเหตุอย่างที่เราบอกมาแต่ว่ันนี้ค่ะเรามาถึงวิธีการรีเฟซตัวเองนะคะ เพื่อให้ตัวเองกลับมาทํางานให้แบบสดชื่นอยากทํางานเพราะว่า น, นี่ก็ช่วงกลางปีแล้วนะคะลุงมิถุนายนกาลังเบื่อๆในนายเลยค่ะลุงมีวิธีการอย่างไรบ้างคะวิธีการอันแรกเลยนะครับซึ่งมันใกล้ตัวแล้วก็ทําได้เลยคือพักผ่อนให้เพีงยงพอแต่เอาเป็นว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยมันพักผ่อนไม่พอปุ๊บพอเวลา ม, มาตื่นขึ้นมาก็ายังง่วงอยู่เลยแล้วก็ต้องไปทํางานไปเจองานที่หนักๆอีกเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการท้อๆเนาะค่ราะฉะนั้น กรณีแรกเลยคือพักผ่อได้เพียงพอถ้าพ่อนอย่างเดียวไม่พอครับต้องดูแลเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายด้วยนะครับโ็เคเะฉะนั้นหลายคนเลยที่ที่ enjoy eating อ่ะมีความสุขกับการกินเนาะแต่ว่าไม่มีความสุขกับการออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราไม่เกิดฉับกระเฉงไงนะครับอย่างน้องทีเนี่ยออกกำลังกายทุกทุกวันเลย ลุงรู้ไหมคะที่ทีวันนี้ทีอาจจะคุณผู้ฟังอาจจะดูป่วยๆเหนื่อยๆนิดนึงคือเพราะว่าที่ออกกําลังกายนี่แหละที่ชอบขี่จกักรยานหลังฝนตกไม่รู้เป็นอะไรหลังฝนตกด้วยมันอาจจะมีฝนโปรยโยหน่อยที่จะชอบมากแลอาจจะทําให้เป็นหวัดได้ใช่ไหม ค, คือปั่นจักรยานมันก็ออกกําลังกายใช่ไหมคะลงุงใช่ครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นผลพวงอ่าอันนั้นก็ ก็อย่าอย่าอย่าออกขนาดที่ฝนตกอากาศมันจะสดชื่นขึ้นมากเกค่ะแต่ว่าออกกําลังกายช่วยได้เป็นหนึ่งในวิธีช่วยได้ครับช่วยได้ครับจะไม่เกิดจับกระเจงจะไม่รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นนะครับพอเราได้หลังไอเหงื่อน้ําเหงื่ออะไรออกไปเราจะรู้สึกว่าเออเราเรามีความสุขนะนะครับทานอาหารเช้าแล้วคะลุงทานอาหารเช้าบางที่เราหิวหิวกินเข้าไปก็มีความสุขเป็นมื้อที่สําคัญที่สุด ในจนํานวนสอมือถูกไหมครับถ้าอาหารเช้าเนี่ยจะต้องทานให้อิ่มก่กอนเพื่อว่าพอเวลาที่เรามีมีอาหารตุนอยู่แล้วเนี่ยเราก็มีสมองที่จะคิดที่จะทํางานนะครับดัะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งหรือว่าต่อมาก็คืออย่างเช่นการลําดับความสําคัญของงานาานะครับถ้านะครับเช้ามาถึงปุ๊บท า, ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก็มาก่อนก่อนแปดโมงคึ่งมาก่อนสักหน่อยหนึ่งแล้วลองมันเรงลําดับดูว่า งานอันไหนเร่งด่วนที่จะต้องทําก่อนหนึ่งสองสามสี่ค่ะนะครับเราก็เรียงลำดับงานเข้าไปแล้วเราก็จะแล้วยิ่งถ้าบอกว่างานไหนที่เราทําเสร็จไปแล้วเนี่ยเราให้กําลังใจตัวเองนิดหนึ่งยังไงเดียบให้กําลังใจง ไ, ไม่ต้องไม่ต้องให้คนอื่นให้แล้วเราก็ชมตัวเราเองนะ <c oughs> เออเว้ยเก่งเหมือนกันเว้ย <c oughs> ทำเตร์ปพันด้วยไม่ทำมึงเพราะว่าหลายคนไม่ไม่เคยชมตัวเองครับค่ะ <c oughs> แล้วก็รอให้คนอื่นชมเพราะคนอื่นไม่ชมก็รู้สึกไมหน่อยไปหน่อยทําไมเขาไม่ชมวะคุณไม่ต้องรอคุณชมตัวคุณเองไปตอนเลยมันคะามเขาส่รไม่หลงตัวเองใช่ไหมคะลุงไม่หลงไม่หลงเขเราทําเสร็จแล้วไงทําเสร็จแล้วเราก็ชมตัวเองไปหนึ่งหนึ่งรอบค่ะเลครับมองโลกในแง่ดีค่ะลุงช่วยได้ไหมมองโลกในแง่ดีมันดีงานหนักหนักมากเลยอะลุงแบบปวดหัวเหนื่อยมากเลยอ่ะแต่ก็มันก็ยังดีนะที่มีงานทํา อ่าอันนั้นก็น่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันมองโลกในแง่ดีมันน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่ามันเป็นในแง่ที่ว่าเราพยายามเห็นงานแล้วรู้สึกว่านี่คือประสบการณ์ที่เราได้หลับนะครับแล้วมันก็จะทําให้โอเคน่ะยิ่งประสบการณ์มากสมมุติว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องออกจากงานนี้ไปหาที่อื่นรับประสบการณ์ตรงนี้จะช่วยให้เราได้งานได้เร็วขึ้ น, นค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการมองโลกอีกแบบหนึ่งมางที ท, ทําอะไรหลายๆอย่างนะลุงนะ คนโน้นให้ทําหัวหน้ามอบหมายเราก็จะรู้สึกเบื่องานเดิมฉันก็ทำไม่เสร็จงานนี้ก็มามอบให้ฉันอะไรก็อะไรก็เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอใช่อะไรก็ครืนะแต่พอได้ยินลุงพูดว่ามันจะได้ประสบการณ์เราจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเราทําเป็นหลายอย่างมันก็คือมองโลกในแง่ดีเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องครับมีอีกไหมคะลุงอันสุดท้ายเลยนะครับคือสําหรับคนที่เกลียดเนาะเราต้องอย่าผัด วันประกันพลุ่งนะ <c oughs> ครับเลิกเอะ <c oughs> เออวันพรุ่งนี้ก็รับ ก, กันนะ น, นี้กองไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดเดฉันทำงานนี้ก่อน <c oughs> ใช้งานที่บอกจะทำอะ่ะก <c oughs> ็ไม่ได้ทำดิค่ะ <c oughs> เลครับขาดไปหมดเลยเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ถ้าผอกว่างานมันไม่กองงานมันไม่ค้างเราก็จะรู้สึกสบายใจ <c oughs> และเราก็จะไม่เบื่อกับงาน คือในวันที่เราอาจจะออนแอร์เหนื่อยหรือว่าป่วยอย่างเงี้ยนะคะลุงถ้าเราไม่ผัดวันประกันพุ่งเราทําเคลียร์ไปเสร็จไปทุกวันทุกวันอย่างพรุ่งนี้เราอาจจะป่วยหรือเกิดอะไรขึ้นเราไม่ไม่งทำเราก็ได้อะค่ะเพราะว่างานเราโอเคอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่ได้ฉันก็เป็นห่วงอันนี้มันก็ด่วนมากฉันยังทําไม่เสร็จเลยอืมอะไรยากนะคะคราวนี้ค่ะเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานลุงมันมีผลมากอย่างที่ลุงบอกใช่ไหมคะ โดยเฉพาะโดยเฉพาะหัวหน้า ง, งานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่คว ร, ครมีปัญหากับหัวหน้า ง, งานไม่ว่าจะกรณีใดๆใช่ไหมคะก็ไม่เชิงขนาดนั้นแต่ว่าหมายความว่าถ้าเผื่อว่าเราเราเลี่ยงได้กับการประทะค่ะนะครับคาว่าประทะของลุงนี่คือประทะทางทางทางท่าทางทางคําพูดคําจานะครับแต่ถ้าประทะกันทางความคิดเนี่ยลุงลุงคิดว่า ถ้าหัวหน้างานพอที่จะเข้าใจและรับฟังเนี่ยเราสามารถที่จะเสนอความคิดได้อนะครับแต่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปมีปัญหาใช่ถ้าไม่จําเป็นอย่างเช่นถ้าเข้ามาบอกว่าคุณที่คุณทําตรงนี้ให้ผมในนะเดี๋ยวผมเอาตาเทียค่ะน้องทีก็ไม่อยากทําหรอกแต่ก็ในที่สุดก็โอเคหัวหน้าสั่งก็ต้องทำอาจจะอาจจะเล่นนิดนึงนะคะเพราะว่าทีติดงานด่วนตัวนี้อยู่ใช่ครับแต่ถ้าบอกว่าแต่ใจเป็นไงครับมา จิตใจเป็นไงลุงใจมันก็เป็นอีกแบบนึงแหละตคงข้ามไว้แหละค่ะนะครับเพราะว่าเราสเรื่องกับการเดินึงครับค่ะให้กําลังใจคนที่ทํางานตอนนี้หน่อยคะลุงหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยเพิ่งเรียนจบใหม่ๆมาเลยลุงหางานหายยากมากเงินเดือนน้อยงานก็ต้องทําเยอะเดินทางก็ได้ อย่างเงี้ยครับลุงให้กําลังใจยังไงดีเอาน้องๆนักศึกษาก่อนที่เพิ่งเรียนจบมากําลังหางานทำน้องน้องที่เรียนจบเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยนะครับยุคนี้สมัยนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี้ไม่เลือกงานนะค่ะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเลือกงานน่ะเริ่มมีความรู้สึกว่างานนี้ไม่ตรงกับสายงานที่เราเรียนมาโน่นนี่นั่นไม่ชอบขึ้นท้อกับมันไม่อบนะครับลุงคือถ้าผมว่าเด็กๆมักจะเป็นอย่างงี้ใช่ครับแต่ถ้ามันมี โอกาสทำทำไปก่อนค่ะนะครับทําไปก่อนอย่างที่ลุงบอกว่ามันทําให้เราเกิดประสบการณ์อย่างที่น้องทีบอกนี่แหละประสบการณ์หลายๆอย่างทําหลายๆอย่างก็ได้เห็นประสบการณ์หลายๆอย่างแล้วเราก็จะค่อยๆพัฒนาความเป็นตัวของเรามากขึ้นอนะครัเพราะฉะนั้นอยากอยากจะบอกน้องๆที่เรียนจบออกมาใหม่ๆว่างานน่ะหายากมากเงินก็หายากไปด้วยเพราะฉะนั้นอยากที่จะให้ คุณมีงานอะไรที่ใกล้เคียงหรือว่าพอใจอยู่บ้างแล้วทําไปก่อนเถอะค่ะทําเอาประสบการณ์นะคะจะรอใช่ครับเลือกไอ้ที่ชอบที่ใช่มันก็น่าจะไม่รู้ว่าเราจะได้เมื่อไร่เหมือนกันแล้วเราก็กินใช้ทุกวันนะคะลุงโอเคเราอาจจะขอคุณพ่อคุณแม่ได้แต่ว่าบางทีเราเรียนจบมาแล้วเราก็ควรที่จะใช้เงินตัวเองนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่แล้วสําหรับคนที่ทํางานอยู่แล้วค่ะลุงทําเท่าไหร่หัวหน้าก็ไม่เห็น ไม่ได้เรื่องคันไม่ใช่รูปรักให้กำลังใจหน่อยค่ะลุงก็อยากจะบอก่งนี้กับว่าถ้าเราไม่คาดหวังเนะาะความสุขมันก็จะเกิดขึ้นง่ายหน่อยอแต่ถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราไปคาดหวังว่าเราทำงานชิ้นนี้เราทำงานตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เขาให้โบนัสให้เงินเดือนเพิ่มหรือว่าให้ไปเที่ยวต่างประเทศเราคงมีโอกาสได้มีชื่ออยู่ แล้วมันไม่มีเนี่ยโอ้โหมันมันเสียใจมันรู้สึกผิดหวังเยอะแยะเราไม่ต้องไปคาดหวังครับคนะครับเราทํางานไปนแล้วบอกว่าให้ทําไปวันๆอย่างเงี้ยเหรอไม่ต้องคาดหวังไม่ไม <laughs> <laughs> เราทําไปแล้วเราก็มีเงินเดือนแล้วก็มีเพื่อนฝูงพยายามมองหาสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขใจในแต่ละวันให้เจ อ, อ น ะ, ะนะคะถ้าไม่รู้ว่าวันนึงเข้าไปหัวหน้าไม่เห็นเพื่อนไม่อะไรเราก็แค่ทําหน้าที่ของเราให้มันดีทํางานที่เรารับผิดชอบให้มันสําเร็จแค่นั้นเราก็ภูมิใจในตัวเองได้ในทุกๆวันใช่ไหะก็เอามาฝากคุณทุกฟังคะ่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะลุงโอเคครับก็ขอบคุณคุณทุกฟังน ะ, นะคะที่ติดตามเราทั้งสองคนคะ่ะพบกับเราได้ใหม่ในทุกๆวันศุกร์ค่ะ4ี่นาฬิกาสานาทีถึง5้านาฬิกานะคะวันนี้ดีฉันที่แล้วดียิ่งมีค่ะ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 เคยวันกังวลสิ่งใดเป็นทุ่งรวงทองสวยใต้ดวงตะวัน